เรื่องที่5พระพุทธเจ้ายอดนักอนามัยหัวใจของการอนามัยตามที่ผมทราบได้แก่ความสะอาดหากหาความสะอาดไม่ได้แล้วอนามัยก็ยากที่จะมีได้ถ้าความเข้าใจของผมถูกต้องผมก็คิดว่าพระพุทธศาสนากับการอนามัยเป็นเรื่องที่ไปกันได้ดีทีเดียวและพระพุทธเจ้าก็เป็นนักอนามัยยอดเยี่ยมของโลกคนหนึ่ง ดั้งนี้ไม่ใช่ผมคิดจะเกณฑ์เอาพระพุทธเจ้าให้เก่งไปเสียทุกทางอย่างที่ว่ากันอยู่แล้วใครจะพูดถึงครูก็ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูใครจะว่าเรื่องประชาธิปไตยก็ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักประชาธิปไตยใครจะปฏิวัติก็จะว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักปฏิวัติผลที่สุดพระพุทธเจ้าก็ถูกเกณฑ์เอาไปเป็นนักอะไรอะไรทุกอย่าง นักเศรษฐกิจนักเกษตรกรรมนักสังคมสงเคราะห์นักรบนักวิทยาศาสตร์และนักอะไรๆอีกหลายอย่างถ้าจะเว้นอยู่ก็เห็นเจอเฉพาะประเภทนักบู๊ต่างๆเช่นนักมวยนักเลงนักโทษอย่างนี้กระมังแต่ก็ดูเหมือนจะมีส่วนผสมโรงโดยปริยายในเมื่อผู้ร้ายที่จะทำการปล้นสะดมก็แขวนพระเครื่องด้วย นักเลงหัวไม้ก็เอาด้วยเหมือนกันเล่นแมวพึ่งพระเสียทุกอย่างอย่างนี้ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันสงสารพระแต่เรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักอนามัยนี่น่าคิดอยู่ถ้าหากความสะอาดเป็นหัวใจของการอนามัยแล้วผมว่าไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือความสะอาดเหมือนกันเหตุผลประการแรก คือเรื่องอุรมณการดังกล่าวแล้วการอนามัยมุ่งความสะอาดพระพุทธศาสนาก็มุ่งความสะอาดเหมือนกันแต่ทางศาสนาของเราแทนที่จะใช้คําว่าสะอาดท่านกลับใช้คําว่าสุทธิซึ่งก็แปลว่าสะอาดตรงตัวและพระพุทธศาสนายังได้วิเคราะห์ความสะอาดไว้เป็นชั้นๆอีกด้วยคือชั้นตน้นเรียกว่าสุทธิแปลว่า สะอาดเฉยๆชั้นกลางเรียกว่าวิสุทธิแปลว่าสะอาดพิเศษชั้นสูงสุดเรียกว่าปริสุทธิแปลว่าสะอาดหมดจดผมไม่ทราบว่าทางการแพทย์ได้วิจัยความสะอาดละเอียดอย่างนี้หรือเปล่าผมขอเสนอความหมายและแนวปฏิบัติเป็นอย่างๆเผื่อท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณาดู ความสะอาดชั้นปฐมที่เรียกว่าสธิแปลว่าสะอาดเฉยๆหมายถึงความสะอาดที่เราพูดกันทั่วไปนี่เองถ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีของสกปรกมาเปื้อนเปื้ไม่มีเชื้อโรคหรือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายก็เรียกว่าสทธิคือสะอาดได้มีบางคนเข้าใจผิดต่อพระพุทธศาสนา คือไปได้อ่านหรือได้ฟังเรื่องอสุภะกรรมาฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่สะอาดดังนี้ก็ดีได้เห็นพระพุทธบัญญัติให้พระใช้ผ้าบางสกุลคือผ้าที่คนทิ้งตามกองขยะก็ดีได้ทราบเรื่องพระพุทธองค์ทรงสอนพระให้อยู่ตามรุกขมูลคือร่มไม้ก็ดีให้พระฉันญาดองด้วยน้ำมูดเน่าก็ดี ทรงชมเชยรูขัปฏิบัติก็ดีเลยเพิ้งเลงไปในแง่ที่ว่าพระพุทธศาสนานิยมความสุขปรภให้ปล่อยตัวตามยถากรรมซึ่งนับว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างถนัดที่เข้าใจผิดอย่างนี้เพราะไปจับเอาแต่ปลายเหตุไม่ได้สาวดูให้ตลอดสายผมขอยกตัวอย่างเป็นเรื่องๆดังนี้การพิจารณาอสุภกรรมฐาน ท่านสอนให้พิจารณาว่าร่างกายของคนเรานี้มันเป็นแหล่งของความสกปรกและความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆดูตั้งแต่น ใ, ในท้องในไส้ออกมาก็แล้วท่านใช้คำอธิบายง่ายง่ายว่าตัวเราคนหนึ่งหนึ่งนี้คือถุงหนังที่บรรจุด้วยของไม่สะอาดอะไรอะไรที่ออกมาจากร่างกายไม่ว่าจะออกมาเป็นน้ำเป็นเนื้อหรือแม้เป็นลม และไม่ว่ามันจะออกมาทางช่องไหนก็ตามสกปรกทั้งนั้นอย่าว่าแต่จะกินได้เลยแม้แต่จะให้ดมหรือให้เอามือแตะต้องคนก็รังเกียจท่านสอนให้ดูความจริงอย่างนี้ก็เพื่อบปิเทาความมัวเมาในความสวยงามหรือเมาในรูปหากจะมองทางแง่อนามหมก็เพื่อให้ทุกคนรู้สึกตัวว่าตัวเรามันไม่สะอาด จะได้สนใจระวังรักษาตัวจะได้อาบน้ำสระผมแปรงฟันถ้าจะใช้มือหยิบอาหารก็จะได้ล้างเสียกอดผลของการโปรงอสุภาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ให้ดูความสุขพรกเพื่อจะได้เป็นคนชอบสุขพรกไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่ในกรณีที่ทรงสอนให้พระไปดูสร้างศพที่เน่าเปื่อยท่านก็มีวิธีเช่นให้ยืนห่างจากศพ ให้ยืนทางเหนือลมแต่งนี้เป็นต้นในเรื่องการใช้ผ้าบางสุกุลก็เหมือนกันท่านมุ่งทางให้พระเป็นคนเลี้ยงง่ายท่านให้ใช้ผ้าบางสุกุลแต่ก็ไม่ใช่หยิบเอามาจากกองฝุ่นมาคลุมตัวเลยทีเดียวต้องเอามาซักมาย้อมเสียก่อนในเรื่องความสะอาดนั้นคงพิถีพิถันเต็มที่การอยู่รุกขมูลก็ไม่ใช่ไปนั่งซุกอยู่เฉย ต้องทำสะอาดท่านบัญญัติให้กวาดให้ปัดส่วนการฉันยาดองด้วยน้ำมูดหมายถึงทรงสอนให้รักษาตัวในกรณีจาเป็นถ้าไม่มียาอย่างอื่นกใอยฉันแม้แต่ยาที่กระสายน้ำมูดอย่าเป็นคนกินยายากอย่าเป็นคนที่หมอหนักใจท่านมุ่งอย่างนี้ต่างหากซึ่งเป็นการส่งเสริม สุขภาพอนามัยโดยตรงดีกว่าคนที่ไม่ยอมกินยาป่วยที่พี่น้องเดือดร้อนบอกกินยาเหมือนบอกให้ไปตายพระพุทธเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้พระเป็นคนอย่างนี้ให้เป็นคนรู้จักรักษาตัวแม้แต่ยากระสายน้า ม, มูดก็ยอมฉันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนนิสัยสุขปรกชอบยกขึ้นอ้างคือ พระพุทธเจ้าทรงชมเชยการใช้ผ้าที่เรียกว่าลูขะเราแปลว่าเศร้าหมองคนเกดครานไปตีความมาว่าหมายถึงผ้าสกปรกแล้วฉวยโอกาสไม่ซักผ้าให้สะอาดความจริงลูขะนั้นไม่หมายถึงสกปรกที่แปลว่าเศร้าหมองก็ผิดความหมายเกินไปต้องแปลว่าหมองเฉยจึงจะตรงคือสีคล้ำไม่ฉูดฉาด ตรงกับที่เราพูดกันว่าเสียเรียบเรียบซึ่งสุภาพชนนิยมกันอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีข้อที่จะยกขึ้นยืนยันอีกมากมายในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนความสะอาดเช่นข้อที่หนึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระใช้กระบอกกรองน้ำที่เรียกว่าธรรมะกรกเป็นบริขารจำเป็นข้อที่สอง ทรงห้ามพระภิกษุฉันเนื้อและปลาที่ไม่ได้ทำให้สุกด้วยไฟข้อที่3ทรงห้ามฉันอาหารและน้ำดื่มบางชนิดที่เก็บไว้ค้างคืนข้อที่4ทรงกดขันในการรักษาความสะอาดของเวกุดีคือส้วมข้อ5ทรงแนะให้ภิกษุใช้ไม้ชาราฟันเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่นึกได้ขณะนี้ ส่วนที่ยังนึกไม่ได้ก็ยังมีอยู่อีกมากมายพระพุทธจริยาที่ประทับใจอย่างยิ่งอีกเรื่องหนึ่งคือตอนที่พระองค์รับสั่งให้ฝังอาหารที่เป็นเดนของพระองค์ในวันปรินิพานเรื่องย่อมีว่าพระพุทธองค์ทรงประชวรด้วยพระโลคลงแดงที่เรียกว่าปะขันธิกาพาตเป็นเวลานา น, านมาแล้วและมีพระอาการสุดหนักลงตามลําดับ จนกระทั่งถึงวันปรินิพานซึ่งพระองค์ได้ทรงกำหนดล่วงหน้าไว้แล้วเช้าวันนั้นนายจุนทาบดช่างทองได้เป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารมีอาหารหลายอย่างด้วยกันพระพุทธเจ้าสั่งให้เขาถวายอาหารชนิดอื่นแก่พระสงฆ์สาวกส่วนอาหารชนิดที่เรียกว่าสุกรมัทวะให้ถวายแก่พระองค์ รั้นเสวยสุกรมัทวะแล้วพระองค์ก็ตรัสสั่งให้ในายจุนทะนำอาหารที่เป็นเดนของพระองค์ไปฝังเสียอย่าให้ใครได้รับประทานนายจุนทะก็ปฏิบัติตามทันทีเรื่องตอนนี้มักจะมีผู้ขบคิดแต่ในประเด็นอาหารคือสนใจวิพากวิจารณ์กันแต่ว่าสุกรมัทวะนั้นคืออะไรแนะ่พอได้ทราบว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ฝังอาหารที่เป็นเดน ก็คิดกันแต่ในแง่ที่ว่าอาหารนั้นต้องมีพิษแล้วก็วิจารณ์กันไปใหญ่โตพวกหมอคิดก็ตั้งข้อสงสัยว่าการปรินิพานของพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นอั ต, ตวินิบาตกรรมเพราะทรงรู้อยู่ว่าสุกรมัทวะมีพิษแล้วยังเสวยถ้าไม่ทรงทราบทำไมจึงทรงสั่งให้เขาฝังอาหารที่เหลือเดละ่ะนี่พวกหมอคิด ฝ่ายหมอความก็วิจาร์ไปในแง่ถูกปรงพระชนจะเอานายจุนท้าเข้าคุกเสียให้ได้ในฐานทำของมีพิษถวายพระพุทธเจ้าตกลงว่าทั้งหมอคิดทั้งหมอความยกเอาตัวสุก ร, รมัทธวะขึ้นเป็นตัวปัญหาแต่ถ้าคิดอย่างหมอยาก็ไม่เห็นมีอะไรมากพระองค์ทรงประชวนด้วยพระโรคภายในอย่างร้ายแรง ปราการก็หนักมากอยู่แล้วอาหารที่เป็นเดนของพระองค์อาจเป็นพาหานําเชื้อโรคไปสู่คนอื่นพระองค์จึงรับสั่งให้ฝังเสียถูกต้องตามหลักสุกศึกษาอนามัยทุกประการขอได้โปรดสังเกตด้วยว่าอาหารที่รับสั่งให้ในายจุนท้าฝังนั้นเฉพาะที่เป็นเดนของพระองค์เท่านั้นส่วนที่ยังเหลืออยู่ในครัวของนายจุนท้ก็ไม่ได้รับสั่งให้ฝัง ที่ฝังจึงเกี่ยวกับของเป็นเดนขนไคเท่านั้นใจผมเห็นว่าวิธีการดังกล่าวนี้เป็นข้อภาคภูมิใจของชาวพุทธเราอย่างยิ่งที่พูดมานี้เป็นเรื่องของสุทธิคือความสะอาดทางวัตถุเพียงเท่านี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วพระพุทธเจ้าเป็นนักอนามัยและทรงส่งเสริมอนามัยอย่างเต็มที่ในที่นี้ ผมยังไม่ประสงค์จะพูดถึงความสะอาดชั้นบริสุทธิ์และวิสุทธิ์เพราะเป็นเรื่องละเอียดและยืดยาวแต่ใคร่เสนอข้อคิดไว้ว่าคำสอนทั้งสิ้นในศาสนานี้ล้วนมุ่งให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนสะอาดและสะอาดถึงสามชั้นถ้าสะอาดทั้งการทำสะอาดทั้งคำพูดสะอาดทั้งความคิดคือสะอาดล้วน ทั้งกายวาจาใจตามที่ผมเข้าใจพระพุทธองค์ทรงเพ่งเล็งถึงความสะอาดและความสป็กรัาล้ำหน้านักอนาัมาอื่นๆทีเดียวคือลึกซึ้งกว่ามากอย่างเช่นสมมติว่าในน้ำแก้วหนึ่งนักอนามัยทั่วไปจะเพ่งเล็งเพียงว่ามีเชื้อโรคไหมมีพิษไหมดื่มแล้วจะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยล้มตายไหม ความสนใจของนักอนาไยโลกส่วนใหญ่สุดแค่นี้และถ้าเห็นว่าน้ํานั้นปราศจากสิ่งที่เป็นภัยต่อร่างกายแล้วก็รับว่าเป็นน้ําสะอาดแต่พระพุทธเจ้านอกจากจะทรงเพ่งเล็งอย่างนั้นแล้วยังทรงเพ่งเล็งถึงว่าน้ํานั้นเปื้อนด้วยบาปไหมคือได้มาด้วยการทำบาปหรือเปล่าเช่นไปแย่งไปโกงเอาของใครมาหรือเปล่า ถึงแม้จะสะอาดจากเชื้อโรคแต่ไม่สะอาดจากบาปก็ไม่ทรงรับว่าสะอาดคือขั้นบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงเล็งถึงความสุขโปรกและความสะอาดลึกซึ้งอย่างนี้แหละผมจึงเห็นว่าพระองค์เป็นยอดของนักอนามัย